ทุตุลละวาจาศิขาบทภิกษุพูดเกี่ยวมาตุคามด้วยวาจาชั่วหยาบต้องอาบัตสามอย่างคือ 1. พูดชมบ้างพูดติบ้างพาดพิงถึงทวานหนักทวานเบาต้องอาบัตสังฆาทิเศษส 2. พูดชมบ้างพูดติบ้างพาดพิงถึงอวัยวะเบื้องบนใต้รากขวัญลงมา อวยวะเบื้องต่ำเหนือเข่าขึ้นไปเว้นทวารหนักทวารเบาต้องอาบัดถุนละใจ 3. พูดชมบ้างพูดติบ้างพาดพิงถึงของที่เนื่องด้วยกายต้องอาบัดทุกกฎ